เกรูปาวจระทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจญญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสองสห้าสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมบยุทธะขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เหตุที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะเพิ่เพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่ฉัมอยุตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่ฉัมอยุตะขัน และจิตแตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัย246สภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่เป็นรูปราวจรด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ ปุเพนิวาสานุสติยานยถากรรมูปักขยานและอนาคตังสยานโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานพิจารณาจัตุทฌานพิจารณาที่ปจักขุพิจารณาที่ปโสตธาตุอิทิวิทยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยาน ยถากรรมูปัคยานพิจารณาอนาคตััตยานบุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นรูปราวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัตจึงเกิดขึ้นสองสเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ยินดีเพลิดเพลินเ พ, พราะพาระความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะโทมานต์จึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามาพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจเจกแห่โคตรภูโวาทานมากผลและอวชนจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วกิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้งจากสุขภัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นรูปอ ร, รูจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานต์จึงเกิดขึ้นอาคาสานัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะอาเกียนจัญญาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณาสัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณ์ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรโดยอา ร, รมณะปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขู่ฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นรูปราวจรด้วยเจโตปริยญาณขันที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถาขมูปัคยาน และอนาคตังสยานโดยอารมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยสองร้สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือชาชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์โดยธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอรจรโดยที่ปฏิปฏัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลพิจารณาปฐมฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิและถึงบุคคลพิจารณาจัตุทัชฌานที่ประจักขุ ที่ปรสงค์ท้าตัอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถาครามูปะขยานอนาคาตังจายานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากทุตชาญเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิและถึงยินดีเพลิดเพลิงขันที่เป็นรูปาวจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพื่อเพลิงขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นรูปาวจร <het. S 1> เป็นปัจจัยแก่จิตตสมถานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่ ที่ประดีธรรมที่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยธุิปติปัจจัย249สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรโดยทุิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมนาธิปติและสหชาตาธิปติอรมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ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 โดยอธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นรูปอรจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณาอาปาสานเนจรยตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่ พระีปริธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จำปยุติขัน์และจิตตะสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยเป็นต้นสองหสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดกลอนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม <tornado> <hin> ่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปปัจจัยได้แก่จุดติจิตที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรัปปัจจัยผวังคจิตที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อวชนะจิตขันธ์ที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วุานะที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัย251 สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรัปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วุานะที่เป็นรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอนันตรัปปจัยและถึง บริกรรมเจตุทชฌานที่ประจักขุที่ประสงคธาตุอิทธิวิทยานเจโตยายา ป, ปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณบริกรรมอนาคตังจียานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังจียานโดยอนันตรัปปใจเป็นปัจจัยโดยสัมณันต ร, ประปัจจมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีเจดวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีเจ็ดวาระอปุปนิสยาปัจจัย252สภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรโดยโอุปปณิสยาปัปจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปปาณิสยาและปละกรตูปนณิสยาปกระตูปนิสยาได้แก่บุคคลน่าศช้ศรัทธาที่เป็นรูปราวจรแล้วทำฌานที่เป็นรูปราวจรให้เกิดขึ้น ธรรมอภิญญาสมาบา feels, bbe bbe bbe bbe bbe ัต Grid. ิให cool. ้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นรูปาวจรปัญญาแล้วทำฌานที่เป็นรูปาวจรทรรอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นรูปาวจรปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นรูปาวจรปัญญาโดยอุปาินสยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปาเนสยปัจจัยทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่ตติยฌาน ตติยฌานเป็นปัจจัยแก่จตุฌานโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปาณิสยาอนันตูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลน่าใสศรัทธาที่เป็นรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถรำฌานที่เป็นรูปาวจร ทำวิปัสนามรรคอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมาณะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นรูปปาวจรปัญญาแล้วให้ทานมีมาณะเถอทิฏฐิศรัทธาที่เป็นรูปประวจรปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นรูปปรวจรปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและพระสมาบัติโดยอุปาินสยปัจจัย สองห้าสสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรโดยอุปาินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปานิสยอเนนตารูปานิสยและปะกระตูปานิสยาปะกรตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยสรัทธารที่ไม่เป็นรูปราวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถรำฌานที่ไม่เป็นรูปราวจรทำวิปัสนามรร อภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นรูปราวจรปัญญาเสนาสนะแล้วให้ทานและถึงมีมา n ะเธอทิฐิศรัทธาที่ไม่เป็นรูปราวจรปัญญาเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นรูปราวจรปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและภะสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรโดยอุปนณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือเนนตะรูปปาณิสยะและปะกะตูปปานิสยะปะกะตูปปาณิสยาได้แก่บุคคลนในสายศรัทธาที่ไม่เป็นรูปราวจรแล้วทมฌานที่เป็นรูปราวจรอาพิญญาสมาบัติเพิ่มเกิดขึ้นอาศัยสินที่ไม่เป็นรูปราวจร เสนาณะแล้วทำฌานที่เป็นรูปราวจรอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่เป็นรูปราวจรเสนาณะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นรูปราวจรปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรงเจตุธาฌานที่ปัจจักขุที่ปัจโสตธาตุอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณ ยถากรรมูปะขยานบริกรรมอนาคตังจยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังจยานโดยอุปนณิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น254หสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมาณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมาณะปุเรชาตได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นโรบายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโพ ธ, ธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นรูปอารมณ โดยปุรเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยปุรเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุรเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุรเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่ภาษไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นรูปาวจร โดยปุรยเรชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยเรปชาตะปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นสองห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและานานาคเนกกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นรูปาวจร เป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งเป็นรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่ เจตนาที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตาและนานาคณิกะ ชาชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแคร่ชำปยุติขัน์และจิตตาสมถานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาขณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแค่ขันที่เป็นวิปากซึ่งเป็นรูปาวจรและกระตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแกร่จำปุจจคันทร์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณนะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นรูปราวจรและกะตัตตารูปโดยกรรมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัยมีสี่วาระ er เป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปชุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัย256สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร โดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอร์วจรโดยวิบยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอร์วจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยวิบยุตตปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นรูปาวจรโดยวิบยุตตปัจจัยบุเรชาตะได้แก่หาไทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นรูปาวจรโดยวิบยุตตปัจจัยอติปัจจัยเป็นต้น257สภาวธรรม ท, ที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, ที่เป็นรูปาวจร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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์ย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นรูปราวจรโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยที่ปจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทัศน์หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นรูปราวจรโดยอธิปัจจัย258สสภาวะธรรมที่เป็นรูปราวจรและที่ไม่เป็นรูปราวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาติและปุเรชาตะสหชาติไ ด, ด้กแก่ขันหนึ่งที่เป็นรูปาวจรและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยและถึงขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่าง คือสหชาติปัจฉาชา ต, ชชาติมหาระและอินทรียะสหาชาติได้แก่ขันธ์ที่เป็นรูปราวจรและมหาภูต ร, รูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์สองและถึงในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาติได้แก่ขันธ์ที่เป็นรูปราวจรและกระวิญกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดฟอนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาติได้แก่ ขันธ์ที่เป็นรูปาวจรและรูปัชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตารูปโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนาถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนัยห59เก้ตุปัจจัยมีสี่วาระอรามะณะปัจจัยมีสี่วาระ ธิปติปัจใจมีสี่วาระอันันตระปัจใจมีสี่วาระสมณันตระปัจใจมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระ วิปากะปัจจัยมีสี h h ่วาระมหาราปัจจัยมีสี่วาระอินทรียาปัจจ um> ัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีสี่วาระมัคคะปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระมาติปัจจัยมีเจดวาระนัตติปัจจัยมีสี่วาระวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระ สปัจจนียุทธาระ260สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรโดยอารมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอารมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยชาชาตะปัจจัยและกรรมปัจจัย261สภาวธรรมที <Pre> ่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรโดยอารมณปัจจัยชาชาตะปัจจัยอุปนิสัยปัจใจปุเรชาตะปัจจัย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 โดยชาชาตปัจจัยและบุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปปรวจรและที่ไม่เป็นรูปปรวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปปรวจรโดยชาชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทริยปัจจัยสองปัจญญปัจญญาสองสังคยาวาระ2 6งรนเหตุปัจจัยมีเจดวาระ ณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาติปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณนิสยปัจจัยมีหกวาระณอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระณปเรชาติปัจจัยมีเจดวาระณปัจชาชาติปัจจัยมีเจ็ดวาระละถึง ณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอัติปัจจัยมีห้าวาระโนัติปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญียะสองร้อยหกามรมณปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสี่วาระณอธิปติปัจจัยมีสี่วาระ ณอนันตรปัจจัยมีสี่วาระณสมณันตระปัจจัยมีสี่วาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีสองวาระณอุปนินียปัจจัยมีสี่วาระละถึงณสัมบยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนาธิปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตะปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยะปัจญิยานุโลมสองหก อารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระพึงขยายบทอนุโลมมาธิกาให้พิจารและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระรูปาวจระะทุกะจบ อรูปาวัจระทุกละหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุตุปัจจัย2 6สหสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที die, ่ไม <Ste ek ambling> ่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้น ละถึงอาศัย e ขันสอง266สภาวธรรมท well ี่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและจิตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองพาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยอทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอรูปาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นย่อหนึ่งปัจจญานุโลม สองสังขยาวาระสองร้อหกสิบเจ็ดเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรามณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสาชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาร ะ, าาาระนะิจยะปัจจัยมีห้าวาระกุปนิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระ อาเศวณะปัจใจมีสองวาระกรร ม, มปัจใจมีหาวาระวิปากปัจใจมีสองวาระอาหาระปัจใจมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีห้าวาระสองปัจยะปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปั จ, จัยและนอารมณะปัจใจัย268สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปราวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาตรพรมโมหะที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูตด้วยอุทจฉา อาศัยข <unlucky> ันที่สหรูคดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นและถึงเพราะณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยเป็นต้นสองร้สภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยขันที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้น ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทนานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ เพื่อเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตตพรมละถึงเพราะณอนันตระปัจจัยละถึงเพราะณอุปาณิสยปัจจัยณปุเรชาติปัจจัยเป็นต้นสองอยเจ็ดสิบสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาติปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอรูปราวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรเกิดขึ้น <ME> เพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปราวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปราวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะณปเรชาตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นและถึงเพราะณปัจชาชาตะปัจจัยณอเซวนาปัจจัย สอง็ดสภาวธรรมที mm. er ่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะน่าอาศวนปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะน่าเสวนปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูป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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปรวจรเกิดขึ้นเพราะนะอาเสวณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอรูปรวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อ 2. ปัจยยปัจจิยะสสังคยาวาระ 272. นะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารัมณปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยมีสองวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยมีสี่วาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีหวาระณอาศวณปัจจัยมีสี่วาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระณ ม, มัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาติวาระพึงทำอย่างนี้เก้าสิบห้า อรูปาวจรทุกกะสปัจญะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสองเจ็สิบสาสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนขปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นอรูปาวจร ธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรทำขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 274เจ็สิสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจใจได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรและทอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นนรูปาวจร ให้เป็นปจัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูปทำขันที่เป็นอรูปาวจรและธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอรูปาวจรและธรรมไภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นอรูปปาวจรและทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 1. ปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระ27งเ็หเฮตุปัจจัยมี9้าวาระอารามณ์ปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมานันตรปัจจัยมีสี่วาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสี่วาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระบรชาตปัจจัยมีสี่วาระอสิวะนปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระ 2. ปัจยปัจจญยะหนึ่งวิพังขวาระ น่เหตุตัปัจจัยเป็นต้นสองจสิบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตัปัจจัยได้แก่และถึงทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปราวจรเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญยสัตตพรมจักขวิญญาณทำจักขา ย, ยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กาวิญญาณทำกายยัจณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรธรรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรักโทษด้วยอุทจฉาทำขันธ์ที่สหรักโทด้วยวิจิกิจฉาที่สหรักโทษด้วยอุทจฉาและรำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงเพราะณอารมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอรูปาวจรทำขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งเป็นอรูปาวจรในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะหน้าปติปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปราวจรในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตยพรมจากขวิญญาทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นอรูปราวจรทำอภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัจจะยปัจจนิยะสองสังขยาวาระ สองรเณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสี่วาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจนจะ sure ัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวณปัจจัยมีสี่วาระ นกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ การนับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระพึงทำอย่างนี้๙๕อรูปราวจระทุกขะ๕สังสัทธวาระ๑ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจใจ๒78สภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นอรูปราวจร ละถึงเกิดรัควรกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดรัควรกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเพราะเหตุตัวปัจใจได้แก่ขันสามเกิดรัควรกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นอรูปาวจรละถึงเกิดรัควกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจก นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยมีสองวาระนัปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระนอาศัยวะณปัจจัยมีสองวาระนกกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากะปัจจัยมีสองวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจจ尼ยะจบ การนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุตตวาระพึงทำอย่างนี้เก้าสิบห้าอรูปาวัจระทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปจยญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัย สองเจ็ดสสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่จิตตะสมุทฐานนรูปโดยเหตุปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เหตุที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณ์ปัจจัย280ส สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอรหัสนะปัจจัยได้แก่อากาสารัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณานจายตนะโดยอารหัสนะปัจจัยอากิญจัายตนะเป็นปันนนจนะปออจั ย, ยนะแห่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารหัสนะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอารหัสนะปัจจัยได้แก่ บุคคลพิจารณาอากาสานานจายตนะพิจารณาวิญญาณานจายตนะพิจารณาอาคินจัญญายาตนะพิจารณาเนวสัญญาณสัญญายาตนะเห็นแจ้งขันที่เป็นอรูปราวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอรูปราวจรด้วยเจโตปริยญาณขันที่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจัยแห่งเจโตปริยญาณ ภูเพนิวาสานุสติยานยถากรรมูปะขยานอนาคตังจายานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรัษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลิเพลนเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้น ราคะโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมักแล้วพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพานนิพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมักผลและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเรที่ละได้แล้วพิจารณากิเรที่ข่มได้แล้วรู้กิเรที่เคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักรุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อมพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรด้วยเจโตปริยญาณรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรุวิญญาณโพธพาญตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันท์ที่ไม่เป็นอรูปาวจร เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย281สภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือชาชาตาธิปติได้แก่ อธิปฎิธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันโดยธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมานาธิปติและจหชาตาธิปติอรารมานาทิปติได้แก่บุคคลพิจรรารณาอาการสารนัญจายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจรรารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันที่เป็นอรูปาวจรให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพืิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานารูปโดยทิปติปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลอธิปดีธรรมที่เป็นอรูปาวจร เป็นปัจจัยแห่สามยุทธขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจใจสองร้อยแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ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 นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมาร์กและผลโดยอธิปฏิปัจจัยยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันที่ไม่เป็นอรูปราวจรให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปฏีธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจร เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจจะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยอนันตรปัจจัยเป็นต้น283สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตราปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรพวังคจิตที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่อาวชนะจิตขันที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่งพุานะที่ไม่เป็นอรูปาวจรในวาสัญญาณสัญญาญตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแห่พละสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอนัอนตร ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแห่ขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเกิดหลังๆโดยอนตรัพปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแห่ภละสมาบัติ โดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมอาแสานัญญาตนะ เป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะโดยอนันตระปัจจัยบริกรรมวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะละถึงบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยชาชาตะปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจวาระอุปานิสยปัจจัย28ง้สาสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตะรูปานิสยและปะกะทูปนิสยาปะกะทูปานิสยได้แก่อาการสารนัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนัญจายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัย วิญญาณัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินัญญายตนะอากินัญญายตนะเป็นปัจจัยแครเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตอรูปาณิสยและปกระตูปาณิสยปกระตูปาณิสยได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นอรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่ไม่เป็นอรูปอบอบ eka, าวจรให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนามักอภพิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถรทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นอรูปออาวจรปัญญาแล้วให้ทานทำสมาบาัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถอทิฏฐิศรัทธาที่ทเป็นอรูปาวจรปัญญา เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและพละสสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย286สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปนิสยอาอนันตารูปะนิสยและปะกะูปนิสย ป ะ, ะปะกตูปานิจยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปราวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่ไม่เป็นอรูปราวจรให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนามากักอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นอรูปราวจรปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทาน ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรเศนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและภะละสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวาจรนะเป็นปันปนปาาจจัยแก่สภาวาธรรมที่เป็นอรูปาวาจรโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตรูปะนิสัย และประกาตูปนิสียะประกาตูปะนิสียะได้กแก่บริกรรมอาการสารัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อาการสารัญจายตนะโดยอุปนิสียะปัจจัยบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสียะปัจจัยปุเรชาตปัจจัยสองร้สสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุ Hathayw ัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักรุฟังเสียงด้วยที่ประโสธธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรุวิญญาณโผฏฐายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายะวิญ ญ, ญาณวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักรยานยนต์เป็นปัจจัยแก่จักรควิญ ญ, ญาณกายายานยนต์เป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นอรูปราวจรโดยปุเรชาตะ ป, ะตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่ ภาษไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรโดยปุเรชาติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาศัวัณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยสอง้ปดสิบปดสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตและนานากริกะ สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่จิตตสมุทฐานรูปและขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่งัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคเนกะสหาชาตะได้กแก่เจตนาที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแฉ่สำปรยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยยอ่อวิปากะปัจจัยเป็นต้นสองสสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยวิปากะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยวิปากะปัจจัยย่อเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยมีสีวาระ เป็นปัจจยัยโดยสัมบยุตตปัจจยัยมีสองวาระวิบยุตตปัจจยัยสองสภาวธรรมที่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจยัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรโดยวิบยุตตปัจจยัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปัจฉาชาต ะ, ย, ย, ะจจาย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจยัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยวิบยุตตปัจจัยมีสามอย่าง คืชาชาตะบุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยวิบิยุติปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแห่ขันที่เป็นอรูปาวจรโดยวิบิยุติปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้นสองสสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอธติปัจจัยมีอย่างเดียว คือสหชาตะยอ่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปันจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีห้ายอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปันจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่ อาไทวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอรูปาวจรโดยอธิปัจจัยสอสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรและอาไทวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย ละถึงขันสองสภาวะธรรมที่เป็นอรูปราวจรและที่ไม่เป็นอรูปราวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอรูปราวจรโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นอรูปราวจรและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและโเริยงกราหานเป็นปัจจัยเขขานี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรและรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยเขขตัตตารูปโดยอธิปัจใจเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสองอเก้าสิบสาม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 อาเสวะนัปปัจใจมีสามวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสองวาระมหาระปัจใจมีสี่วาระอินทรียะปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคะปัจใจมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนณติปัจใจมีสี่วาระวิคตปัจใจมีสี่วาระ อวิคตะปัจจัยมีเจดวาระสองปัจจญียุทธาระสองรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอารมณปัจจัยชาชะตาปัจจัยอุปาณิเสธปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอารมณปัจจัย ชาตาตัปัจจัยอุปานิเสียปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยชาตาตัปัจจัยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอารมณปัจจัยชาตะปัจจัยอุปานิเสยปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยชาชาตาปัจจัยปัจฉาชาตาปัจจัยอาหารรปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัย 2. ปัจจย์ปัจจณียะสสังคยาวาระสองร้อเหกนักเหตุปัจจัยมีเจดวาระนอาอรมะณะปัจจัยมีเจดวาระนักอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ ณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาติปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนิสียปัจจัยมีห้าวาระณอุปาณิสียปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีเจดวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิบยุตตปัจจัยมีสี่วาระ โนอัติปัจใจมีสี่วาระโนนัติปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตะปัจใจมีสี่วาระสปัจจญานุโลมปัจญิยะสองรอเก้าสิบเจดณอารมณปัจจใจขอเภสตุปัจใจมีสี่วาระณอธิปติปัจใจมีสี่วาระณอานันตระปัจใจมีสี่วาระณสมนันตระปัจใจมีสี่วาระ ณอัญญมัญญาปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิสยปัจใจมีสี่วาระและถึงณสัมพยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณนัตถิปัจใจมีสี่วาระนวิคตปัจใจมีสี่วาระ 4. ปัจยะปัจญิยานุโลมสองอาระมะนะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระ พึงขยายบทอนุโลมมาธิกาให้พิสดารและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอรูปาวัจระทุกะจบ